พระธรรมเเสนาบดีสารีบุตรได้สดับพระพุทธดีกาว่าดังนั้นก็สำคัญเข้าใจแจ้งในพระพุทธดำรัสว่าสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าทรงปรารถนาจากให้อัตมาสำแดงฤทธิ์ปฏิหารจึงถวายบังคมพระทศพลลยานแล้วเข้าฌานอธิษฐานจิตให้มีฤทธิ์เหาะขึ้นไปบนเวหาสูงชั่วลำตาหนึ่งแล้วกลับลงมาถวายนามัสการวันทาสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์หนหนึ่ง แล้วจึงกลับเหาะขึ้นไปบนเวหาอีกชั่วลำตาลแล้วกลับลงมาถวายนมัสการสมเด็จพระทศพลยานอีกจนครบเจ็ดผลเป็นกำหนดแล้วก็เหาะขึ้นไปเหนือนภาอากาศเวหาสูงกว่านั้นสำแดงอนเนกปฏิหารมากกว่าร้อยอย่างสำแดงพระธรรมเทศนาอยู่ด้วยอาการต่างๆโดยให้ผู้ฟังธรรมเห็นอิทธิปาฏิหารแปลกไปไม่ดำรงคงที่คือบางทีก็เห็นองค์พระธรรมเสนาบดี ผู้แสดงธรรมบางทีก็ไม่เห็นองค์ได้ยินแต่เสียงบางทีได้ยินเสียงอยู่เบื้องบนบางทีได้ยินเสียงอยู่เบื้องต่ําบางทีสําแดงกายให้ปรากฏเห็นเป็นพระอาทิตย์บางทีสําแดงกายปรากฏให้เห็นเป็นพระจันทร์บางทีก็สําแดงกายให้ปรากฏเห็นเป็นภูเขาบรนผดบางทีสําแดงกายให้ปรากฏเห็นเป็นมหาสมุทรบางที สำแดงกายให้ปรากฏเห็นเป็นเท้าเวสสวรรค์มหาราชบางทีสำแดงกายให้ปรากฏเห็นเป็นสมเด็จพระอมรินทราธิราชบางทีสำแดงกายให้ปรากฏเห็นเป็นเท้ามหาพรหมเช่นนี้เป็นอาทิพระผู้เป็นเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระภิกษุสงฆ์โดยมีองค์สมเด็จพระบรมครูเจ้าทรงเป็นประธานด้วยอเนกปฏิหารมากมายหลายร้อยอย่างดังพน า, นามาชนี้ แล้วจึงกลับลงมาจากนพากาศถวายบังคมที่พระยุคลบาทแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดากราบทูนพระมหากรุณาว่าข้าแต่พระชินสีผู้ทรงพระภาคเจ้าอันตัวข้าพระบาทนี้อุตสาอบรมบา ร, รมีมาช้านานประมาณกำหนดได้ดึงอสงไขยกับเศษอีกแสนมหากรับก็ด้วยตั้งใจปรารถนาที่จะได้ถวายบังคมบรมบาตรทั้งคู่แห่งพระพุทธองค์บัดนี้ ข้าพระบาทก็ได้ศพศีรษะนงนมัสการยุคนระบาทของพระองค์สมตามประสงค์แล้วตั้งแต่นี้ต่อไปที่ไหนเล่าข้าพระบาทอยากได้ทัศนาเห็นสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าเหมือนดังแต่ก่อนมาความวิสาสะคุ้นเคยที่ข้าพระบาทเคยผูกพันมั่นคงมากับพระองค์สิ้นกาลนานก็จะขาดสะบั้นสิ้นลงแต่เวลาวันนี้โดยไม่มีโอกาสจะกลับมีขึ้นอีกแล้วข้าพระบาท จะขอถวายบังคมลาองค์พระประทีพแก้วสัพพัญยูเจ้าเข้าสู่นิพพานไปจะไม่มีโอกาสได้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทอีกต่อไปแล้วพระเจ้าข้าหากว่าโทษทันที่ข้าพระบาทเคยประมาทด้วงเกินด้วยกายกรรมวจีกรรมและด้วยมนโนกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีถ้าจะพึงบังเกิดมีโดยหาเจตนาไม่ได้แล้วไซขอองค์พระบรมไตโลกนาถเจ้าจงอาศัยพระมหากรุณา โปรดประทานโทษสารนุทโทษนั้นให้แก่ข้าพระบาทด้วยเถิดพระเจ้าค่ะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่สุดแล้วตัวข้าพระบาทสารีบุตรนี้จกถวายบังคมพระองค์ไปรับไม่กลับมาขอองค์สมเด็จพระบร ม, มาศาสดาจงค่อยเสด็จอยู่โดยผาสุกวิหารเถิดพระเจ้าข่าสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสดับคําถวายบังคมลาขององค์พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรดังนี้ ก็ทรงมีพระไทยกรอบด้วยสังเวคขธรรมอยู่นักหนาจึงทรงมีพระพุทธวจนะว่าดูก่อนสารีบุตรเอย๋ยโทษทันสิ่งใดบรรดามีจะเป็นกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีเราตาาคตจะเห็นปรากฏมีแกสารีบุตรแต่สักสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็หาไม่ได้เลยสารีบุตรเอย๋ยเธอกระทำแต่สิ่งที่ดีงามเป็นที่ถูกใจเราตถาคต ทุกสิ่งทุกประการตลอดการเวลาช้านานเราตถาคตไม่เห็นมีโทษอะไรที่จะให้อภัยแก่เธอทั้งสิ้นขอจงตั้งหน้าเข้าสู่นิพพานอันเป็นบรมสุขไปด้วยดีเถิดอีกไม่ช้าแล้วเราตถาคตก็จะดับขันเข้าสู่นิพพานเหมือนกันไปเถิดสารีบุตรเ อ, อ๋ยเธอจงไปเถิดฟังเมื่อพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้รับพระพุทธดีกาอนุญาตให้เดินทางไปได้ดังนี้ จึงธุลีกรกราบลงแทบเบื้องพระบรมบาทยุคนครั้งแล้วครั้งเล่าทรงกายลุกขึ้นจากอาสนะหันหลังละจากที่ประทับมาหยุดยืนอยู่แทบประตูมหาวิหารขณะนั้นแผ่นพระธรณีอันหนาแน่นได้สองแสนสี่หมื่นยน์ได้สำแดงอาการปานประหนึ่งจะรู้พูดรู้เจรจาออกมาเป็นภาษามนุษย์ว่าอันตัวฆ่าที่เป็นธรณีนี้ย่อมมีมหิทธานุภาค สามารถทรงไว้ซึ่งสินรุราชบันพศและเขาสัตพันธ์หิมวันบันพศและเขาจักรวาล น, น้อยใหญ่มิให้จระลาจนด้วยกําลังพายุพัดมาแต่สี่ทิศแต่ภูผาเหล่านี้แม้จะหนักนักหนาธรณีคือข้าก็สามารถที่จะทรงไว้ได้ไม่หวั่นไหวแต่ในครั้งนี้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้ทรงคุณราสีคือกองคุณอันหนักและใหญ่พระผู้เป็นเจ้าท่านจะดับขันเข้าสู่นิพพานไป ข้าไม่อาจจะนิ่งเฉยอยู่ได้มีอาการเหมือนจะกล่าวออกมาเป็นภาษาว่าดังนี้แล้วธรณีนั้นก็บังเกิดป่วนปั่นวันไหวไปมาตราบเท่าถึงอุทธกทาราน้ำรองแผ่นดินเป็นที่สุดมหาสมุทรก็บังเกิดเป็นคลื่นกระทบฝั่งดังกระครื้นอนละวนเบื้องบนนภากาศก็วังเวงบรรลือลั่นอยู่วันไหวเกกล้องด้วยเทพพายดาเจ้าทั้งหลายต่างก็เป่าร้องและดีศีตีคองมโหระทึก เสียงพิลึกบรรลือสนั่นลั่นเวหามหาเมฆใช่ฤดูการก็บันดาลหาฝนให้ปลอยตกลงมาทั่วทิศาทั้งสายฟ้าก็แลบแปลปรับเฉวตเฉวียนบรรลือลั่นครั่นคลื้นเป็นมหัาสาจรรัจจสมเด็จพระจอมทันสัพพันธ์อยู่เจ้าทรงเห็นเหตุมหาสัรรย์เช่นนั้นจึงเสด็จลุกจากพระพุท ธ, ธาอาัดมาประทับยืนส่งพระธรรมเสนาบดีของพระองค์ที่หน้ามหาวิหารคันทกุูดีพระสารีบุตร จึงเดินเวียนวนประทักศิลองค์สมเด็จพระมูนินสิ้นสามรอบแล้วมอบลงแทบหลังพระบาทยุคนขององค์พระทศพลสัพพันอยู่ถวายบังคมลงเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเถระวาทีว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณราศีตัวข้าพระบาทสารีบุตรนี้ได้เคยหมอบลงแทบพระบาทยุคนแห่งองค์สมเด็จพระอนมทัตสีสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตการเมื่ออสงไขยแสนมหากรรุ่งมาแล้ว ด้วยใจผ่องแผ้วปรารถนาจะคร่พบประสบพระองค์มาบัดนี้ก็ได้พบบรมบาท ด, ดังประสงค์สมดังมโนปณิธานครั้งนี้เล่าก็เป็นปัดฉิมทัศนาการตัวข้าพระบาทสารีบุตรจะได้มีบุญวาสนาเชยชมพระรูปพระโฉมสมเด็จพระบรมศาสดาก็แต่เวลานี้น่าจะพลันสิ้นลงในการละบัดนี้แล้วพระเจ้าข่ากราบทูลลาดังนี้แล้วก็ทรงกายลุกขึ้นยืนปรนนหัน นมัสการสมเด็จพระมหากรุณาเดินถอยหลังออกมาจนรับพระเนตรด้วยเหตุที่พระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรนั้นท่านเป็นผู้หนักอยู่ด้วยความคาระวะในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านักหนาจึงซุดกายหมอบถวายนามัสการลงกับพระสุทาบ่ายหน้าเจ้าพท่ทิศที่พระองค์สถิตอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วพระผู้เป็นเจ้าจึงลุกขึ้นพาพระพิสุสงบริวารเดินทางไปยังนาลันทขาม อันเป็นชาติภูมิสถานของท่านฝ่ายสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ผู้ทรงมากไปด้วยพระกรุณาใหญ่เมื่อพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรถวายบังคมลาลับพระเนตรไปแล้วจึงมีพระพุทธดีกาให้ประชุมภิกษุสงฆ์ทั้งมหาวิหารแล้วทรงประธานอนุญาตว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งปวงเอย๋ยขอเธอทั้งปวงจงพากันไปส่งพระธรรมเสนาบดีผู้เป็นพี่ชายของเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้าย ในการระบาดนี้เถิดภิกษุทั้งหลายในเชตวันมหาวิหารได้ฟังพระพุทธฎีกาตรัสอนุญาตดังนั้นต่างรูปต่างก็ออกจากพระวิหารเชตวานารามตามส่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรทั้งสิน้นเหลือแต่องค์สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวใช่แต่เท่านั้นมหาชนชาวเมืองสาวัตถีทั้งหลายพอได้ทราบข่าวว่าบัดนี้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ถาวายบังคมลาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปเข้าสู่พระนิพพานเสียแล้วต่างคนต่างก็เฉลยดอกไม้ได้ของหอมเครื่องสักการะบูชาพากันออกจากเคหาเดินบ้างวิ่งบ้างพลางไต่าถามกันและกันว่าพระธรรมเสนาบดีอยู่ที่ไหนบรรดาคนที่ตามมาทันพระผู้เป็นเจ้าบางคนก็สยายเกล้าเกศาบางคนก็ยกมือทั้งซ้ายขวาเข้าช้อนอุระปริเทวนาการ ร้องไห้สะอึกสะอื้นออกวาจาว่าโอ้แต่นี้ไปใครจะสั่งสอนข้าพระเจ้าเล่าโอ้แต่นี้ไปใครจะเมตตาสั่งสอนข้าพระเจ้าเหมือนดั่งพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีเล่าแล้วเขาเหล่านั้นก็พากันร้องไห้สะอึกสะอื้นคร่ำครวญบ้างก็ล้มลงดิ้นระรวนกับพระสุธาน่าสงสารนักนาพระธรรมเสนนาบดีก็ชี้แจงสั่งสอนไปในขณะนั้นว่าดูก่อนท่านทั้งหลายเอย๋ย ขอท่านจงอย่าร้องไห้ร่ำพิไรไปเลยเพราะทำให้แลดูลําบากตาของอัตมาขอท่านทั้งปวงจงอุตสาห์ตัดใจและเร่งเคารพพระรัตนตรัยอย่าได้ขาดขอจงอยับประมาทและค่อยอยู่โดยผาสุกเถิดอัตมาจะขอลาแล้วพระมหาเถระเจ้าเฝ้าชี้แจงมหาชนว่าดังนี้แล้วก็หันกลับมาบอกให้พระภิกษุทั้งหลายนอกจากบริวารตน กลับไปเฝ้าสมเด็จพระทศพลอย่างพระเชตฐวันมหาวิหารด้วยความห่วงใยแล้วพาภิกษุบริวารทั้งหลายเดินทางไปบ่ายหน้าเฉพาะนาลันทะขามผู้คนที่เป็นพุทธมามกะทั้งหลายในระหว่างทางตลอดจนคนที่ ท, ทราบข่าวภายหลังแล้วรีบร้อนดันด้นตามมาเมื่อประจันหน้าพระมหาเถระเจ้าเข้ า, ขาแล้วอดกลั้นความเศร้าสลดใจไว้ไม่ได้ต่างก็โศการ่าพิไรราพันว่า อนิจจาพระผู้เป็นเจ้าจะหนีข้าไปไหนเล่าจะทิ้งข้าพระเจ้าให้อนาถาหรือไรข้านี้เคยได้ฟังเทศนาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่เป็นนิจมิรันต่อแต่นี้ไปใครจะเทศนาสั่งสอนข้าเหมือนดังพระธรรมเสนาบนดีเล่าพระผู้เป็นเจ้าจะหนีข้าเข้าสู่นิพพานเสียแล้วหรือเมื่อใดเล่าข้าจะได้พบปะถวายนามัสการพระผู้เป็นเจ้าอีกหนอมหาชนพากันตัดเพาะ ด้วยความอาลัยรักในมหาเถระเดินตามกันไปเป็นหมู่หมู่ไม่ขาดสายพระธรรมมเสนาบดีท่านก็กล่าวธรรมมาปริยายเทศนาไปพลางว่าดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาสิ้นทุกคนเอย๋ยอันธรรมดาว่าเกิดมาเป็นรูปเป็นกายแล้วก็มีแต่จะแตกทาลายไปเป็นที่สุดคือย่อมเป็นไปในอำนาจอานิจจังอุปมาดังภาชนะที่บุคคลกระทาด้วยดินมิได้ยั่งยืนไปนาน มีแต่จะแตกทําลายร้าวฉานไปในที่สุดอุปมาเหมือนบุคคลเกิดมาก็ย่อมมีแต่มรณานั้นเป็นที่สุดพระสารีบุตรเทระเจ้าท่านเฝ้าเทศนาสั่งสอนประชาชนทั้งหลายรอนแรมอยู่ในคามณิคมจนบทกลางมัคคาคณะนานับได้เจราตรีครั้นถึงวันที่คำรบเจ็ดนั้นต่อเวลาสายันพระผู้เป็นเจ้าพร้อมกับสงบริวารก็บรุถึงบ้านนาลันทคาม ตามความปรารถนาแล้วก็พากันเข้าไปพักอาศัยอยู่ภายใต้ต้นไทรใหญ่ใบโดกนาอันเป็นพฤกษาประจำหมู่บ้านเพื่อพักผ่อนให้เป็นที่สำราญกายหายเหน็ดเหนื่อยหลังจากที่เดินทางรอนแรมมาหลายราตรีขณะนั้นมีพระภิกษุหนุม่มรูปหนึ่งนามว่าพระเรวัตท่านเดินออกมาจากประตูบ้านนารันทคามพอดีก็ท่านพระเรวัตผู้หนุ่มนี้เธอเป็นหลานชายแห่งพระธรรมมเสนาบดีสารีบุตร เดินทางมาเยี่ยมนางสารีพรมนีซึ่งมีศัก์เป็นยายและพักอยู่ที่นารันทคามก่อนหน้านี้หลายวันแล้ววันนี้มีกิจธุระเดินทางออกมาทอดทัศนาเห็นหลวงลุงพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกับภิกษุบริวานนั่งพักสำราญอยู่ภายใต้ร่มไทรใหญ่ซึ่งเป็นมหาพฤกประจำหมู่บ้านจึงรีบเดินทางเข้าไปถวายนมัสการกราบไหว้แล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระธรรมมเสนาบดีจึงมีเถระวาทีสั่งความไปกลับพระเรวัตหลานชายว่าดูก่อนเรวัตเอย๋ยเธอจงกลับไปบอกมหาอุบาสิกาซึ่งเป็นยายของเธอเถิดว่าบัดนี้เรามาถึงนาลันทคามแล้วและยับยั้งอยู่ที่นี่ชั่วคราวแล้วจะขอเข้าไปพักอาศัยภายในบ้านในราตรีนี้ขอให้มหาอุบาสิกาสั่งบริวารข้าทาสให้ชาระปัดกวาดห้องที่ประสูตรของเราให้จงดี แล้วจัดแจงเสนาสนะที่อาศัยสำหรับพระสงฆ์0้าร้อที่ติดตามเรามานี้ด้วยเถิดพระเรวัตผู้หนุ่มรับเถระบัญชาของพระธรรมเสนาบดีผู้เป็นลุงแล้วก็มิรอช้ารีบเดินทางเข้าไปในบ้านแจ้งความแกนางสารีพรหมณีตามที่พระเทระเจ้าสั่งมาทุกประการแล้วกล่าวํำชับอีกว่าดูก่อนมหาอุบาสิกาซึ่งเป็นยายพระธรรมเสนาบดีหลวงลุงข้า สั่งให้มาบอกแกมหาอุบาสิกาว่าให้ช่วยจัดแจงห้องที่ประสูนย์ของท่านให้สะอาดเรียบร้อยให้จงดีแล้วให้จัดแจงเสนาธนะสําหรับภิกษุบริวารทั้งหลายด้วยนี่แลหลวงลุงข้าสั่งมาให้บอกแกมหาอุบาสิกาเป็นใจความสําคัญในการนั้นนางสารีพราหมณีซึ่งมีอายุมากแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงคล่องแคล่วเป็นคนมีความคิดโบราณนับถือศาสนาพราหมณ์ตามวงตระกูลแต่เดิม มาอย่างเคร่งครัดเมื่อได้ฟังพระเรวัตหลานชายว่าดังนั้นจึงสำคัญผิดคิดแต่ในใจไปตามประสาคนชทราอายุมากว่าเออก็น่าหลากใจชะไหนหนอพ่ออุปติษลูกรักที่จากไปบวชเป็นสัมมาเสียนานกลับมาบ้านคราวนี้ก็รีบเร่งสั่งให้ทําระห้องหับของตนเสียเป็นนักหนาเห็นท่วงทีกิริยาว่าคงจะศึกเสียเป็นม่นคงสาคัญคิดว่าพระธรรมเสนาบดี จลาสิกขาดังนี้แล้วหญิงชราผู้มีบุญวาสนาได้เป็นถึงมารดาของพระธรรมเสนาบดีโดยไม่รู้ตัวและมีอายุยืนยิ่งกว่าคนอื่นมากหลายก็ให้นึกขำในใจตนว่าเออก็พ่ออุปติสะลูกรักของเราเมื่อยังหนุ่มแน่นอยู่นั้นก็ออกจากบ้านไปบวชเสียนานไม่คิดสึกเพิ่งจะได้สำนึกมาคิดสึกเอาเมื่อตอนแก่นี่น่าขันนักนางสารีพรมณี รำพึงถึงลูกรักว่าคงจะศึกออกมาเป็นแน่แท้ดังนี้แล้วก็มีใจยินดีรับสั่งข้าทาสบริวารให้ทำความสะอาดตกแต่งประดับประดาห้องที่ประสูตรของลูกชายให้น่าอยู่และดูน่ารื่นรมสิ่งใดที่ยังบกพร่องก็ให้หามาให้พร้อมทั้งเครื่องหอมและดอกไม้ทูบเทียนชวาลาทั้งเครื่องประดับประดาทั้งประทีปสว่างสวยตรวจตราดูจนเป็นที่พอใจแล้วก็ให้จัดแจงเสนาสนะ สำหรับพระภิกษุบริวารทั้ง500้อยเรียบร้อยเพียบพร้อมเป็นอันดีแล้วจึงบอกพระเรวัตหลานชายออกไปอาราธนาพระธรรมเสนาบดีให้เข้ามาสู่เคหสถานฝ่ายว่าพระธรรมเสนาบดีก็พาพระสงฆ์บริวารเข้าไปสู่เคหสถานของมารดาจัดแจงให้พระสงฆ์บริวารพักอาศัยอยู่ตามเตนาธนะที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วจึงเข้าไปพักในห้องที่ประสูทธ์ซึ่งนางสารีพราหมณี ควบคุมให้ตกแต่งจัดแจงไว้เป็นอันดีพอเวลาราตรีปฐมยามโรคาพาดอันมีกําลังกล้าก็บังเกิดขึ้นแก่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรมหาเถระเป็นโลหิตประกอบด้วยทุกขเวทนาสาหัสและโรคาพาดนั้นก็ค่อยกล้าหารมีอาการมากขึ้นให้ลงโลหิตไม่หยุดหย่อนภาชนะหนึ่งรองไวภาชนะหนึ่งผ่อนไปเทเสียไม่ขาดสายภาชนะหนึ่งออกไป ภาชนะหนึ่งเข้ามารองไว้อีกเล่าทำให้พระผู้เป็นเจ้าได้ประสบทุกขเวทนาทางกายยิ่งนักนางสารีพระมณีชาราเห็นกิริยาของลูกชายสุดที่รักซึ่งถูกอาพาธเข้าครอบงามอย่างหนักก็ให้ตระนกตกใจว่าเออก็เป็นไหนหนอพ่ออุปติสสะพอมาถึงเคหาแทนที่จะได้รับความสุขสบายกลับได้ไข้กอบด้วยทุกขเวทนาอย่างน่ากลัวชนนี้เล่าครั้นจะเข้าไป เพื่อประคับประคองในห้องนั้นก็เต็มไปด้วยพระภิกษุสงฆ์องค์ปริวารแน่นหนานางจึงได้แต่ยืนพิงประตูึะเง้อคอมองดูอาการลูกชายด้วยใจห่วงใยเมื่อล้าหนักเข้าก็นั่งลงตรงนั้นไม่ไปไหนการละครนั้นเท้าจาตุมหาราชทั้งสี่พระองค์ซึ่งทรงเป็นเทวาธิปดีมีอำนาจใหญ่ยิ่งในสงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิประกอบด้วยเท้าทัตระท เทวาธิราชท้าวิรุนหเทวาธิราชท้าวิรูปกเทวาธิราชและท้าเวสวร์เทวาธิราชประชุมปรึกษากันว่าบัดนี้ท่านพระธรรมเสนาบดีผู้มีคุณใหญ่กําลังอาพาธหนักอยู่น้ำมันจะอาดบนปราสาทเป็นที่สายญาติแต่หนหลังครั้งยังเป็นคฤหัดและท่านจะเข้านิพพานเสียในวันนี้แล้วเราทั้งหลายจะได้เห็นท่านก็เป็นที่สุดครั้งนี้อยากกระนั้นเลย มาเถิดเราทั้งหลายจงพากันไปยังนาลันทคามในมนุษยโลกในการระบาดนี้เถิดชักชวนกันเห็นชอบชะนี้แล้วก็มิได้รอช้ารีบพากันเหาะแวกว่ายฟ้ามาด้วยเทพปริ์ครั้นถึงแล้วจึงเข้าไปยอบกายถวายนมัสการแล้วพากันกราบเรียนว่าข้าแต่พระธรรมเสนาบดีข้าพระเจ้าทั้งสี่นี้มีความประสงค์จะมาปฏิบัติรับใช้ในคราวที่พระผู้เป็นเจ้าได้ไข้ หากต้องประสงค์สิ่งใดขอให้พระผู้เป็นเจ้าจงบอกมาในการระบัดนี้เถิดอย่าได้เกรงใจเลยพระธรรมเสนาบดีจึงกล่าวตอบว่าดูรามหาบาพิตรทั้งสี่อัตมานี้ขอขอบใจท่านทั้งหลายแต่ว่าภิกษุผู้ปฏิบัติรับใช้ในการนี้มีอยู่แล้วขอมหาบาพิตรทั้งหลายจงกลับไปที่พยาวิมานของท่านเถิดกล่าวตอบขอบใจดังนี้แล้ว ก็ส่งเท้าจาัตุมหาราชทั้งหลายให้กลับไปฝ่ายสมเด็จพระอมรินทราธิราชเทพบุตรโซดาบันซึ่งทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่ในสวงสวรรค์ชั้นไตรตรึงทรงรำลึกถึงพระธรรมมเสนาบดีแล้วก็ทรงมีความห่วงใยเหมือนดั่งเท้าจัตุมหาราชจึงรีบลีลาดออกจากไผ่ชยนต์ปราสาทพิมานแต่ลำพังพระองค์เสด็จว่ายฟ้าลงมาอย่างบ้านนาลันทคาม เข้าไปถวายนามัสการแทบเบื้องบาทยุคนเอกอัครสาวกแห่งอง์สมเด็จพระทศพ ล, ลยานแล้วทรงถามถึงอาการไข้ด้วยพระทัยห่วงใหญ่ปวาวรณาพระองค์ว่าจะทรงเป็นผู้อุปถักรับใช้พระธรรมเสนาบดีกล่าวขอบใจพระองค์แล้วก็ทรงสเสด็จให้กลับไปเสวยที่พยาสมบัติในไพชยนปราสาทพิมานดังเช่นเท้ามหาราชทั้งสี่นั้นจะ ก, กล่าวถึงพระพรมทั้งหลายมีท่านเท้ามหาพรหมเป็นต้น ซึ่งปวงชนแต่โบราณกาลเคารพยกย่องกันว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแล้วพากันบวงสรวงสวดสรรเสริญสะดุดดีบันดาที่สถิตอยู่ณพรหมวิมานในพรหมภูมิทั้งหลายเมื่อได้ทราบด้วยยานพิเศษว่าพระธรรมเสนนาบดีผู้มีคุณใหญ่กำลังอาพาธหนักใกล้จะเข้าสู่นิพพานจึงพากันออกจากพรหมวิมานเหาะทยานไหว้ฟ้ามาในยามราตรี รัศมีปรากฏเปล่งปลั่งดังกองเพลิงครั้นถึงแล้วจึงพากันเข้าไปถวายนมัสการพระธรรมเสนาบดีด้วยความเคารพเลื่อมใสพร้อมทั้งออกโอดปรวรณาว่าจะเป็นคีลานุปัฏฐาปฏิบัติรับใช้พระผู้เป็นเจ้าในยามไข้แต่ในที่สุดก็ถูกพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรส่งให้กลับไปโดยไยะที่พนนา ม, มาในขนหลังนางสารีปรมดี ซึ่งมีความห่วงใยในอาการไข้แห่งพระมหาเถระยืนบ้างนั่งบ้างอยู่ที่ใกล้ประตูดุจนายทวารบานเห็นเทพยายดาทั้งหลายผ่านมาหลายครั้งหลายหนแต่เพราะเหตุที่ตนไม่เคยเห็นและไม่รู้จักเทวดาจึงคิดอยู่แต่ในใจตนคนเดียวว่าเออก็ใครพวกใดกันนั้นหนาะแลดูรูปทรงโสภาท่าทางงามสง่ายิ่งกว่ามหาอมาตย์พระราชาธิบดีมีจานวนมากหน้าหลายตา เข้ามากราบไหว้วันทาอุปติษฐ์ลูกเราแล้วก็พากันกลับไปกลับไปท่านพวกนี้เป็นใครน่าสงสัยนักไม่เคยเห็นก็พอดีเป็นขณะที่พระจุนทะอรหันต์ซึ่งเป็นบุตรชายคนกลางของนางและเป็นน้องชายของพระธรรมเสนาบดีท่านเดินออกมาจากห้องที่พระเถระพี่ชายกําลังอาพาธอยู่นั้นนางจึงถือโอกาสสอบถามข้อข้องใจว่าดูก่อนพ่อจุนทะใครกันนะที่พากันมาเยี่ยมไข้ พ่ออุปติสสะพี่ชายของเจ้ามากน่าหลายตาแลดูท่าทางเป็นคนมีบุญวาสนาบานดานี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพ่อพอจะรู้จักบ้างหรือว่าหาไม่ได้พระจุนทะอรหันต์จึงกล่าวตอบแต่เพียงสั้นๆว่าอ๋ออ๋อมหาอุบาสิกาเขาเหล่านั้นเป็นเทพพยายดามีความเคารพนับถือในพี่ชายของอาตมาจึงได้อุตสารมาเยี่ยมจากเทวโลกแดนไกลกล่าวเท่านี้แล้ว พระจุนทะอารหันก็เดินผ่านออกไปข้างนอกปล่อยให้นางสารีพราหมณีมารดายืนงงอยู่ด้วยยังไม่สิ้นสงสัยได้โอกาสอันตนคอยมานานนักหนาแล้วจึงในขณนะนั้นท่านพระธรรมมเสนาบดีผู้เป็นวิปัสนาจารย์เชี่ยวชาญในการบอกกรรมฐานและการแต่งอินทรีย์ให้โยคีบุคคลทั้งบรรพชิตและขฤรืหัดแม้เทพดาและพระพรหมได้บรรลุพระโสดาปติผลมากกว่ามาก จึงเอ่ยปากถามไปเป็นกุดสโลบายนั่นใครนั่นเสียงของใครอ้ออ๋อเสียงของมารดาดอกหรื อ, อยายจึงมาเอาจนในเวลานี้เล่าพิกษุทั้งหลายจงเชื้อเชิญให้มารดาของเราเข้ามาในห้องนี้เถิดจะได้สนทนาปราศัยกันเมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวเชื้อเชิญและหลีกทางให้เป็นช่องพระมณีหญิงชาราจึงได้โอกาสเข้ามาในห้องนั้น นั่งหน้าที่ใกล้พระธรรมเสนาบดีลูกชายสุดที่รักแล้วจึงกล่าวด้วยใบหน้าเศร้าหมองว่าพ่ออุปติสระตั้งแต่หัวค่ำยามราตรีมารดานี้มิได้ไปไหนเลยพอได้ทราบข่าวว่าพ่อได้ไข้าอาพาทหนักมารดานี้มีจิตห่วงใยคร่จะเข้ามาแต่ก็ไม่กล้าด้วยว่าภิกษุบริวารของพ่อดืนออกกันแน่นขนาดมารดาจึงยืนฟังอาการไข้ของพ่ออยู่ที่ข้างประตูด้วยใจแสนห่วง จนล่วงเข้ายามดึกนี้พระมณีสารีกล่าวดังนี้แล้วก็ร้องไห้เสอึกสอื่นอยู่ด้วยความสงสารในอาการของพระเถระผู้เป็นบุตรชายครั้นถูกพระเถระปลอบใจให้ค่อยคลายความเศร้าโศกแล้วนึกถึงความพิศวงสงสัยแห่งตนขึ้นมาได้จึงไต่ถามว่าอ๋อพ่ออุปติสสะใครผู้ใดกันเล่านาะที่มีรูปประันสันฐานงามสง่าพากันมาก่อนตอนต้นยามราตรีสีท่าน บานดาไม่เคยเห็นครั้นถามพ่อจุนทะก็ตอบให้บารดานี้ฟังไม่ชัดเจนดูก่อนมหาอุบาสิกาทั้งสี่นั้นท่านเป็นเทวาทีราชผู้มีอำนาจใหญ่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นเทวดามาเยี่ยมไข้าอาตมาด้วยใจเป็นห่วงและด้วยความเคารพเลื่อมใสดูก่อนพ่ออุปติสสะอะไรพ่อนี้เป็นใหญ่กว่าเท้ามหาราชทั้ง4ี่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิทีเดียวหรือ นางสารีพรมามณีถามขึ้นด้วยความพิศวงสงสัยแกมตกใจสาวกแห่งองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถผู้อาพาธหนักจึงตอบคำมารดาว่าอย่างนั้นมหาอุบาสิกาเท้าจัตุมหาราชเหล่านี้ถ้าจะเปรียบก็มีฐานะเหมือนกับโยมวัดสำหรับอุปถากและดูแลรักษาพระอารามจริงอย่างนั้นท่านเท้ามหาราชทั้งหลายมีความเคารพและจงรักพักดีต่อองสมเด็จพระชินสีเจ้า ซึ่งทรงเป็นพระบรมศาสดาของเราอยู่นักหนาคอยเฝ้าบำรุงรักษาอยู่เนืองนิดตลอดกาลนานตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระพิชิตมารลงมาถือเอาปฏิสนธิในคันพระมารดาเท้าจ่าตุมหาราชทั้งสี่นี้แลต่างองค์ก็ทรงพระแสงขันอยู่กับก่อนมาสมโมสรประชุมกันพิทัก์รักษาพระกุมารบรมโพธิสัตว์ทั้ง4ี่ทิศหวังจะป้องกันเสียซึ่งพิพิ่าอันตรายอันจะพึงบังเกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นขอให้มหาอุบาสิกามารดาของอัตมาจงเชื่ออย่างแจ้งใจเถิดว่าเท้ามหาราชทั้งสีน่นี้เธอมีฐานะเปรียบโยมวัดสำหรับคอยปฏิบัติรับใช้พระภิกษุทั้งหลายในศาสนาแห่งเรานี้ใครผู้ใดเล่าที่มาทีหลังคือผู้ที่มีรูปร่างงามสง่าและดูท่าทางมีอำนาจมากกว่าเท้ามหาราชทั้งสี่ซึ่งมาทีหลังนั้นเป็นท่านผู้ใดใครกันพ่อจะบอกแกมารดานี้ได้หรือไม่พ่ออุปติสระ ท่านผู้นั้นคือสมเด็จเท้ามรควานเทวาธิราชหรือพระอมรินทราธิราชพระองค์ผู้ทรงเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นไตรตรึงพ่ออุปติสะพ่อนี้เป็นใหญ่กว่าสมเด็จพระอินทราอีกหรือเล่าถูกแล้วมหาอุบาสิกาสมเด็จพระอินทราธิราชผู้เป็นใหญ่ในไตรตรึงสวรรค์ น, นี้มีฐานะเหมือนกับสามเณร น, น้อยผู้คอยถือบริขารตามสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้าเท่านั้นจริงอยู่ สมเด็จเท้ามาขวานนั้นท่านเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาทรงมีศรัทธาเลื่อมใสและทรงจงรักภักดีในองค์สมเด็จพระชินสีห์เจ้าซึ่งเป็นองค์สมเด็จพระบร ม, มศาสดาของเราทั้งหลายยิ่งกว่าใครจะพึงเห็นได้จากการแสดงออกของพระองค์หลายครั้งหลายกรณีเช่นสมัยที่องค์สมเด็จพระชินสีห์เจ้าบร ม, มครูแห่งเราสเสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่หนสวนสวรรค์ชั้นดาวบดึงสา เพื่อทรงเทศนาพระสัตตะปกรณาพิธรรมทั้ง7็ดพระคมพีโปรดพระพุทธชนนีครั้งนั้นครันจบพระธรรมเทศนาอย่างพระพุทธมารดาให้ได้บรรลุพระโสดาปติพลสำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยะบุคคลแล้วพระองค์จึงเสด็จลงมาจากดาวดึงสวรรค์สมเด็จเท้ามาขวานผู้ทรงเป็นใหญ่โดยยศและอานาจได้ทรงถือเอาบาดและจีวรทรง ตามเสด็จพระพุทธองค์ลงมาจนถึงแผ่นพื้นมหาปฐพีในมนุษย์โลกนี้ดังนั้นขอมารดาจงเชื่ออย่างแจ้งใจเถิดว่าสมเด็จพระอมรินทราธิราชนี้พระองค์ทรงมีความจงรักภักดีและเคารพเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรโล ก, กนาถผู้ทรงยศปรากฏดังสามเณร น, น้อยที่คอยถือเอาบาดและจีวรทรงตามสมเด็จองค์พระบรมศาสดาในพระศาสนานี้เท่านั้นเออก็พ่ออุปติสระ เมื่อพระอินผู้เป็นใหญ่ท่านเสด็จไปแล้วยังมีอีกพวกหนึ่งซึ่งจะเป็นใครกันเล่าที่เข้ามาหาพ่อแต่พอแลดูก็รู้ว่าม่ใช่มนุษย์เพราะมีรูปทรงสุดโสภารัศมีผุดผาดบาดตาประพาพันรุ่งเรืองสว่างไสวประดุดกองไฟจะเป็นเทวราชองคใดเธอเสด็จมาหน้าแปลกใจนักเท้ามหาพรหมและบรรดาพระพรหมผู้วิเศษทั้งหลายมหาอุบาสิกา ท่านที่มาเมื่อยามดึกไม่นานมานี้เป็นผู้ที่อยู่ไกลถึงพรห ม, มโลกล้วนแต่เป็นพระพรหมซิ้นด้วยกันขอมานดาจงทราบตามนี้เถิดอะไรกันพ่ออุปติสสะพ่อนี้เป็นใหญ่กว่าบรรดาพระพรหมทั้งหลายอีกหรือนางสารีพรหมณีอูธานออกมาด้วยความตกใจไม่คาดฝันว่าบุตรชายของตนจะกล้ากล่าวคําเป็นคาตายเช่นนั้นแล้วกล่าวต่อไปว่าดูก่อนพ่ออุปติสสะ บรรดาพระพรมผู้วิเศษเหล่านี้ซึ่งมีท่านเท้ามหาพรมเป็นประธานวงตระกูลเราชาวนาลันทคามตลอดถึงกรุงราชคลึกราชธานีและเมืองอื่นๆก็ดีต่างพากันเคารพสดุดีอย่างสูงสุดว่าเป็นเจ้าชีวิตอาจบรรดานฤทธิ์ให้ดีร้ายประการใดมาแต่โบราณกาลอะไรกันพ่อนี้ยังเป็นใหญ่กว่าพระพรมเจ้าเหล่านั้นจริงๆหรือถูกแล้วมหาอุบาสิกาพระพรมทั้งหลายเหล่านั้น ถึงแม้คนโบราณจะถือว่าเป็นใหญ่กว่าใครทั้งหลายแต่ในทางศาสนาแห่งองค์พระสัพพัญญูเจ้าก็เห็นว่าพระพรหมเจ้าเหล่านั้นมีฐานะเป็นแต่เพียงสัตว์ผู้ติดข้องอยู่ในวัฏฏะสงสารอันมีภัยใหญ่โดยที่พรหมบางองค์ก็มีวาสนาได้พบพระพุทธศาสนาแต่พรหมบางองค์ก็ไร้วาสนาไม่มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาดูก่อนมหาอุบาสิกา การเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติตรัสในโลกพระพรมทั้งหลายที่มีวาสนาบารมีได้สดับพระสัทธรร ม, มเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงแล้วต่างก็มีจิตพ่องแผ้วบรรลุพระอริยมรรคอริยผลบางพวกก็ได้สำเร็จเป็นพระพรมโสดาบันบางพวกก็ได้สำเร็จเป็นพระพรมสกทาคามีบางพวกก็ได้สาเร็จเป็นพระพรมอนาคามีและบางพวก ก็ได้สําเร็จเป็นพระพรหมอรหันต์ดังนี้ก็มีอะนหนึ่งบรรดาพระภิกษุพุทธสาวกในศาสนานี้ที่ได้บําเพ็ญสมถะกรรมาฐานบรรลุฌานสมาบัติอันเป็นรูปฌานและอรูปฌานเมื่อถึงบารณะการแล้วก็ได้ไปอุบัติเกิดเป็นพระพรหมผู้วิเศษเสวยพรห ม, มสมบัติอยู่ณพรห ม, มโลกเช่นนี้ก็มีอยู่เป็นอันมากดังนั้นขอให้บรรดาจงเชื่อมั่นลงไปเถิดว่า บรรดาพระพรหมทั้งหลายเหล่านี้ย่อมมีฐานะในทางพระพุทธศาสนาเป็นแต่เพียงเหล่าสัตว์ผู้ติดข้องอยู่ในวัฏฏะสงสารซึ่งมีวาสนาได้พบพระอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้าก็มีและไม่ได้พบก็มีแต่จะอย่างไรก็ดีสมเด็จพระสัพพัญยูบรมครูเจ้าแห่งเราทั้งหลายพระองค์ย่อมทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่กว่าบรรดามหาพรหมและพระพรหมอื่นใดทั้งหลายนับได้ร้อยเท่าพันทวี สารีพราหมณีเท่าซึ่งเคารพนับถือศาสนาพราหมณ์เป็นมิจฉาทิฏฐิมานานแต่มีวาสนาจะได้บรรลุพระโสดาปัิพลยานในไม่ช้านี้เมื่อได้สดับพระธรรมมเสนาบดีซึ่งเป็นบุตรชายอธิบายให้ฟังดังนั้นจึงนิ่งคิดอยู่แต่ในใจว่าเออก็เพียงแต่เจ้าอุปติสสะลูกรักเราสิยังเป็นใหญ่กว่าเท้าจาตุมหาราชสมเด็จพระอินทราและบรรดาเท้ามหาพรหม ก็พระสมณโคโดมที่เป็นบรมศาสดาของเจ้าอุปติษสะลูกเรานั้นพระองค์ท่านคงจะมีิีาศสักดานุภาพเพียงใดพระองค์ท่านย่อมจกเป็นใหญ่มีพระคุณมากมายมหาศาลนักหนาสารีพระมณีชารานิจิตรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพลางบังเกิดปิติสมนัตในพระมหากรุณาพุทธาทิคุณและปิตินั้นก็พลันแผ่ซ่านไปทั่วสกลากาย ฝ่ายพระธรรมมเสนาบดีซึ่งรอโอกาสนี้อยู่พอรู้แจ้งด้วยยานอันวิเศษว่าบัดนี้มารดาบังเกิดปิติสมนัตในพระพุท ธ, ธาที่คุณแผ่ซ่านไปทั่วสรีระกายพระผู้เป็นเจ้าจึงดำริต่อไปว่าการนี้ก็เป็นการสมควรแล้วที่อาตมาผู้ได้ชื่อว่าสารีบุตรจะได้เทศนาเพื่อเป็นการทดแทนคุณมารดาที่ได้อุตสาหุุมคันมาและเป็นการทดแทนคุณค่าน้านมข้าวป้อน ของชนณีผู้ชาราเป็นวาระสุดท้ายในชีวิตของอาตมาพระธรรมเสนาบดีท่านดำริ จ, จิตคิจชนีจึงมีจิตยินดีปรีดาอุตสาอดกลั่นเสียซึ่งทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธลงโลหิตมิได้คำนึงถึงความลำบากแห่งกายตั้งใจจะทดแทนคุณมารดาจึงเริ่มแสดงพระสัทธรรมเทศนาเป็นใจความว่าดูก่อนมหาอุบาสิกาซึ่งเป็นมารดาแห่งอาตมา บัดนี้ขอมารดาจงตั้งจิตให้เป็นกุศลแล้วเริ่มต้นสดับรับฟังพระธรรมเทศนาอันข้าผู้ชื่อว่าสารีบุตรจักได้แสดงทดแทนคุณแห่งมารดาเป็นโปสาวนิกกมุลใช้นี่บุญคุณข้าน้ำนมสนองคุณชนนีเป็นครั้งสุดท้ายคือว่าองค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเจ้าซึ่งทรงเป็นพระบรมาศาสดาของเราทั้งหลายนั้นพระองค์ท่านทรงไว ซึ่งพระคุณสุดที่จักพรน า, นาการเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูตรและเสด็จออกสู่มหาพิเนสกรมการที่ได้ตรัสแก่พระประมาพิเศษสัมโพธิยานการเมื่อตรัสพระสัต ธ, ธรรมเทศนาธรรมจักแต่ล้วนปรากฏว่าหมื่นโลกธาตุวาดวันไหวสิ้นทั้งนั้นบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้ที่จะเสมอด้วยศีลสมาธิปัญญาคุณวิมุตติคุณ และวิมุตติญ า, าณทัศนคุณเหมือนกับองค์พระสัพพันดูเจ้านั้นหาไม่ได้เลยนะมหาอุบาสิกาพระธรรมมเสนาบดีเริ่มเทศนาว่าดังนี้แล้วก็แสดงธรรมอันปฏิสังยุทธ์ด้วยพระพุทธคุณตั้งแต่อิติปิโสภคะวาเป็นอาธิไปจนจบโดยในยะอันกว้างกวางพิสดารในอวสานการแห่งเทศนาท่านก็สอนให้มหาอุบาสิกาสารีพรหมณีมารดา จเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนพระโสดาปฏิผลญาณอุบัติขึ้นในขันธสันดานสำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาหลุดพ้นจากความเป็นมิจฉาทิฐิชนเป็นผู้มีศรัทธาอันมั่นคงและมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในคุณแห่งพระศีรัตนะไตรสมตามความตั้งใจของพระธรรมเสนาบดีผู้เป็นบุตรชายทุกประการเมื่อมหาอุบาสิกาสารีพรมณี ได้บรรลุพระโสดาปติพลญาณสำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลวิเศษในศาสนานางก็บังเกิดความยินดีปรีดาหาที่สุดมิได้สะอื้นให้กล่าวแก่พระมหาเถระผู้บุตรชายว่าดูก่อนพ่ออุปติสละลูกชายร่วมชีวิตของมารดาเอ๋ยก็ไรเลยพ่อจึงประพฤติเนิ่นช้ามาโปรดมารดาเอาเมื่อตอนแก่เท่าถึงเพียงนี้น่าอัศจรรย์ใจสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถเจ้า พระองค์ทรงไว้ซึ่งพระคุณสุดพรนน า, นาแต่ก่อนนั้นมารดาจะได้รู้คุณสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่สักนิดหนึ่งก็หามิได้แต่นี้ไปมารดานี้มีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวได้สาระที่พึ่งอันอุ่นใจสำปรับเดินทางไปสู่ปรโลกแล้วเอกอัครสาวกแห่งองค์สมเด็จพระประทีบแก้วได้สดับคำมารดาดังนั้นจึงคิดอยู่แต่ในใจว่าบัดนี้ มารดาของอาตมาได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาทำลายล้างเสียซึ่งมิจฉาทิฐิที่ถือผิดมาแต่ห้นหลังครั้งบันพการมีปัญญาญาณอย่างรู้ในวิมุตติธรรมคือมรรคผลนิพพานเป็นอันว่าอาตมานี้ได้ให้ทรัพย์คือโลกุตรธรรมแก่มารดาเป็นโปสาวนิกกมูลใช้หนี้ทดแทนคุณค่าน้านมข้าวป้อนมารดาสมความปรารถนาตั้งใจแล้ว จึงมีวาจาบอกแก่มารดาว่าดูก่อนมหาอุบาสิกาการระบัดนี้ก็เป็นการสมควรแล้วขอมารดาจงถอยกลับออกไปข้างนอกเสียเถิดครั้นเห็นมารดาออกไปจากห้องรับสายตาองค์พระธรรมเสนาบดีจึงค่อยเอ่ยโอดถามขึ้นในถ้ำกลางสงบริวารว่าเวลานี้ราตรีล่วงไปได้สักเท่าใดแล้วเมื่อได้ฟังคาตอบว่าเวลานี้จวนจะสว่างอยู่แล้วเจ้าค่ะ จึงบอกพระจุนทะอรหันผู้เป็นน้องชายให้พระเลียงสง์มาประชุมสันนิบาตพร้อมกันแล้วสั่งว่าดูก่อนอาวุโสจุนทะขอท่านจงพยุงเราให้ได้นั่งสักหน่อยเถิดเมื่อพระจุนทะพะยุงท่านให้นิสีตนาการนั่งขึ้นได้แล้วองค์พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงกล่าวคําอําลาพระสงฆ์ขึ้นในขณะนั้นว่าดูก่อนอาวุโสทั้งหลายบรรดาท่านที่เป็นสัตวิวิหาริกก็ดี ท่านที่เป็นศิษยานุสิทธิและเพื่อนสหธรรมิกก็ดีที่ได้ตั้งใจพักดีปฏิบัติติดตามเรามาช้านานประมาณ4 4พันษาหากว่าเราผู้ที่ว่าสารีบุตรนี้ได้เคยกระทำผิดต่อท่านทั้งหลายด้วยกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมก็ตามทีขออาวุโสทั้งปวงที่ประชุมสันนิบาตกันอยู่นี้จงอดโทสานุโทษให้แก่เราผู้กล่าวคาอำลาท่านทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายนี้ด้วยเถิด พระสงฆ์บริวารทั้งหลายซึ่งสรรนิบาตประชุมกันในที่นั้นก็บังเกิดความสังเวชใจและพากันขมาโทษพระธรรมเสนาบดีผู้มีคุณสิ้นทุกรูปและเมื่อรับขมาจากพระสงฆ์แล้วพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีท่านก็ยกเอาชายกีวรขึ้นมาปิดพักเอ็นกายาเบื้องขวาลงเหนืออาจเป็นสีห์หะสายาธแล้วก็อธิษฐานจิตทำปรินิพพานปริกรรมคือเข้าฌานสมาบัติเป็นอนุโลมปฏิโลม ถอยหน้าถอยหลังตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปจริงอยู่ในสมัยนั้นพระธรรมมเสนาบดีสารีบุตรองค์อรหันต์ท่านเข้าปฐมฌานเป็นที่สำราญแห่งพระอริยเจ้าแล้วก็เข้าทุ ต, ยติยฌานตัติยฌานจะตุทถาฌานเป็นเบื้องต้นเป็นอนุโลมปฏิโลมหลายครั้งหลายคราอยู่นักหนาโดยไม่สามารถจะพรากจากฌานอันวิเศษไปได้ง่า ย, ายอุปมาดุดบุรุษผู้จะจากบ้าน เดินทางไปยังแดนไกลย่อมจะมีใจภวะผวังทั้งรักอาลลยกอดเอาลูกและภรรยาเข้าไว้ในวงแขนแล้วก็เชยชมด้วยความสเสน่หาเฝ้าจูบซ้ายแล้วย้ายมาจูบขวาจูบหน้าและหลังไปไปม า, มาไม่สามารถจะไปจากบุตรและภรรยาของตนได้ง่ายๆเลยพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้จะเข้าสู่นิพพานในขณะนี้ก็ย่อมเป็นเช่นนั้น เข้าชมฌานเวียนวนไปมาหลายครั้งจนพอควรแก่การแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็เคลื่อนแคล้วเข้าสู่ปฐมฌานออกจากปฐมฌานนั้นแล้วก็เข้าสู่ทุติยฌานตติยฌานและจตุทตาฌานโดยอนุโลมตามลาดับพอออกจากจตุทตาฌานอันเป็นที่สุดพระธรรมเสนาบดีมหาสารีบุตรสาวกเอกในพระพุทธศาสนาแห่งเรานี้ ท่านก็ดับขันเข้าสู่อมตะมหาหนรือพานอันมีวิบากขันและกรรมชรูปหาเศษมิได้ในขณะนั้นทันทีก็ให้บังเกิดมีอันเป็นอัศจรรย์วันไหวไปทั่วบริเวณเทพเจ้าทั้งหลายบรรดาที่ยังเป็นปุถุชนตัดความอาลัยรักยังไม่ได้ต่างก็พากันเศร้าเสียใจในการจากไปของพระธรรมวเสนาบดีเทพคนทันที่มีหน้าที่บรรเลงทิพยดนตรี ก็พากันตีทิพยะเพรีบรรลือพิรุกพิลั่นอด่วนไหวไปมาให้เป็นที่รู้กันทั่วทุกห้องสวรรค์ชั้นฟ้าว่าบัดนี้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรพุทธสาวกผู้มีพระเดชพระคุณอันยิ่งใหญ่ได้ดับขันเข้าสู่พระปรินิพานไปแล้วฝ่ายนางสารีปราโมณีซึ่งได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเมื่อตอนใกล้รุ่งหลังจากพระมหาเถระบุตรชาย ขอร้องให้ออกจากห้องแล้วด้วยดวงใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาในพระบวรพุทธศาสนานางซึ่งมีไวชาราจึงเดินงุ่มง่ามเข้าไปในห้องทองคำนำเอาทองคำมานับเป็นราคาได้หนึ่งกฎดจากจำนวนทองคำทั้งหมดซึ่งสะสมรักษาไว้หลายชั่วคนโดยตั้งใจว่าจะบำเพ็ญกองกา ร, รกุศลให้สบายในการบ้านปลายแห่งชีวิตครั้นได้ยินเสียงโกลาหนสนันวันไหวเช่นนั้น ก็ให้ประหลาดใจเก็บทองคำไว้ให้มิชิดตามเดิมแล้วเดินออกมาดูพอรู้ว่าพระธรรมเสนาบดีบุตรชายสุดที่รักดับศูนย์สิส้นชนแล้วนางก็หมอบลงแทบบาทาโศกาพิไรรำพันว่าอนิจจาพ่ออุปติสะเอย๋ยแต่ก่อนมันดาไม่ได้รู้เลยว่าพ่อมีคุณถึงเพียงนี้พ่อมารู้ได้ไม่ทันนานพ่อก็มาด่วนดับขันศูญย์สิส้นชีวิตสินทร์มารดานี้ ตั้งจิตคิดจะกระทำกองการกุศลให้สบายจะถวายไตรจีวรแก่พระสงฆ์ทั้งหลายเป็นหมื่นเป็นพันและจะสร้างวิหารในเนื้อที่อันกว้างไพศาลประมาณพันหลังเป็นเครื่องบูชาพระัตนะไตรเพื่อให้พ่อได้อยู่เทศนาโปรดสัตว์ให้ได้ดื่มอมะตะธรรมเช่นเดียวกับที่โปรดมารดาแต่อนิจจาพ่อมาทิ้งมารดาไม่กรุณาให้มารดาได้ทำกาลกุศลตามความตั้งใจ ช่างกระไรพ่อมาทิ้งมารดาให้อน า, าถาถึงเพียงนี้แสนสงสารนางสารีพระมณีไวยชราถูกความเศร้าโศกเข้าครอบงำดวงใจพร่ำพี่ไร่รำพันกลิ้งเกลือกไปมาแทบบาทาของพระธรรมมเสนาบดีบุตรชายสุดที่รักตราบเท่าจวบการพระสุริโยไทยไขยรัศมีขึ้นมาเป็นเวลาสว่างนางจึงเข้าสู่ห้องทองคำนำเอามาราคาโกดหนึ่ง ซึ่งเป็นจํานวนที่นับไว้นั้นแล้วบัญชาคนรับใช้เรียกช่างฝีมือเอกมาให้สร้างเป็นบูตสบก500ยอดวิจิตรบรรจงสําหรับประดิษฐานศพพระมหาเถระแล้วให้กระทําพนมดอกไม้500สําหรับประดับประดาบูชาศพพระผู้เป็นเจ้าอีกเล่าช่างฝีมือวิเศษทั้งหลายซึ่งมีจํานวนมากมายก็กระทําตามความปรารถนาของนางพระมณีชาราทุกประการ แล้วว่าจ้างให้คนอีกพวกหนึ่งนั้นรีบพากันไปสร้างมณฑปใหญ่ในใจกลางพระนครงามประวรสุดเงินและทองอันวิจิตรประณีตบรรจงเสร็จแล้วให้ตั้งขบวนเคลื่อนย้ายมหาบุตรสบกทองคำห้าร้อยอดที่ประดิษฐานศพพระธรรมเสนาบดีโดยมีพระภิกษุสงฆ์และพุทธบริษัทคฤหาดหญิงชายมากมายค่อยเคลื่อนย้ายไปตั้งไว้ในมหามณฑปใหญ่ที่ใจกลางพระนครนั้น กันเป็นขอบเขตบริเวณด้วยกำแพงราชวัตรฉัดทงแลดูระหงเป็นรถหลั่นกันลงมาประการตานักนาเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทซึ่งมาจากทิสานุทิศได้พากันกระทาสัตการะบูชาเป็นเวลาคณะนาได้เจ็ดวันเจ็ดราตรีคราทีนั้นยังมีหญิงคนหนึ่งนามว่าเรวดีเจ้าเคยถวายอาหารบิณฑบาตและเคยได้สดับปรับฟังพระธรรมเทศนา อันพระธรรมมสนาบดีแสดงแล้วเกิดความเลื่อมใสในพระมหาเถระสุดหัวใจเมื่อได้ทราบข่าวว่าพระเถระเจ้าท่านดับขันเข้าสู่นิพพานนางก็แทบจะวายปรานด้วยความเคารพอาลัยพอหายโศกได้สติแล้วจึงรวบรวมทองคำที่มีอยู่ทั้งหมดทำเป็นดอกไม้ทองหนักสามกุมภ์พระสำเร็จสมปรารถนาจึงนาเอาดอกไม้ทองคานั้นมาจากบ้านตั้งใจจะไปบูชาศพพระมหาเถระ ที่ประดิษฐานอยู่ในมหามนดบ ก, กลางพระนครก็เป็นเวลาพอดีที่สมเด็จพระอมรินทราธิราชพระองค์ผู้ทรงเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเมื่อได้รับทราบว่าพระธรรมมเสนาบดีที่พระองค์ทรงเคารพ บ, บูชาดับขันเข้าสู่นิพพานเสียแล้วจึงพาเทพบริวารบรรดาที่เคารพเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาซึ่งมีทั้งนางฟ้าอภิษณกัญญาเทพประบเทพพนาี แทบหมดดาวฟดึงสวรรค์ชั้นฟ้าประมาณสองโกศห้าล้านเหาะทะยานไหว้ฟ้าลงมาด้วยอำนาจเทพฤทธิ์โดยแสดงรูปกายให้ปรากฏแก่สายตามหาชนเพื่อจะได้เป็นเกียรติยศยิ่งใหญ่ให้แก่พระธรรมมสนาบดีผู้มีพระเดชพระคุณสุดที่จักประมาณได้ในพระบวรพุทธศาสนาครั้นมาถึงก็มิได้รอช้าเสด็จเข้าไปกระทาการสการะบูชาศพพระมหาเถระ ภายในมณฑกใหญ่พร้อมกับเทพบริวารอันมีจำนวนมากมายมหาศาลเป็นประวัติการนั้นฝ่ายมหาชนหญิงชายที่มาแต่ทิดน้อยทิดใหญ่และไม่เคยเห็นเทวดาชาวฟ้ามาก่อนเมื่อได้แลเห็นสมเด็จพระอมรินทราธิราชซึ่งเสด็จมาด้วยอํานาจใหญ่แวดน้อมด้วยเทพบริวารทั้งหลายเช่นนั้นต่างก็พากันตกใจประลาดหลีกถอยไปเป็นทิวแถว ชนละมุนวุ่นวายด้วยเกรงกลัวเดชเท้าสหัดสเนตเธอเสด็จมาบ้างก็แสงหน้าแสงหลังเบียดเสียดกูตะโกนก้องร้องโอดโอยโวยวายกันอยู่อึ้งมีส่วนานางเรวดีที่ถือเอาดอกไม้ทองคำออกจากบ้านมาเพื่อบูชาศพพระมหาเถระด้วยน้ำจิตคารวะเลื่อมใสนั้นนางกำลังทรงคันแก่มากจะเดินเร็วนักมิได้เมื่อผู้คนทั้งหลายที่ตกใจเกรงกลัวเทวดา พากันวิ่งเสียดแซงแข่งกันมาล้นหลามเหลือหลายก็ชนเอานางเข้าอย่างถนัดใจถึงกับล้มกลิ้งลงกับพระสุธาดลคนอื่นอีกมากมายซึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็เหยียบย่ำซ้าทำให้นางผู้น่าสงสารถึงแก่การกิริยาตายไปในบัดเดียวใจเดชะกุศลที่นางมุ่งหมายมาบูชาศพพระมหาเถระด้วยน้าจิตอันกรอบด้วยศรัทธาเลื่อมใสแน่วแน่ แต่พอนางดับจิตไปในทันใด น, นั้นนางเรวดีก็พลันไปอุบัติเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงก่อนที่สมเด็จเท้ามัขวานยอมเจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงจักเสด็จกลับไปถึงเสียอีกอุบัติเกิดเป็นนางฟ้าเทพนารีงามโสภาประดับประดาด้วยทิพยสัพพาพรงามบวรยิ่งนักมีบริวารได้พันหนึ่งเป็นประมาณครองกนกวิมานคือวิมานทองกว้างใหญ่ไพศาล ล้วนแล้วไปด้วยแก้วและทองทิพยาสมบัติของเรวดีเทพพนารีรุ่งเรืองวิเศษโอราริกยิ่งนักหากจากบรรทุกใส่เกวียนก็จะได้60สเล่มเกวียนโดยคณน า, นาบัตรเดียวใจที่อุบัติเกิดเป็นเทพธิดาสเสวยสมบัติวิเศษนั้นนางจึงจินตนาการว่าเราได้ประกอบกุศลสิ่งใดหนอจึงได้มาสวยทิพยาสมบัติอันวิเศษเห็นปานชนี แล้วนางก็ทราบด้วยทิพยาญาณวิธีโดยตลอดว่าเรานี้มีศรัทธาเลื่อมใสออกจากบ้านในเมืองมนุษย์ไปตั้งใจจะบูชาศพพระธรรมมเสนาบดีผู้มีคุณใหญ่ด้วยดอกไม้ทองคำซึ่งให้ช่างทองทำอย่างวิจิตรรจนาแต่ถูกมหาชนเหยียบยำ่ำทำให้ถึงแก่การกิริยาตายเสียก่อนด้วยเดชะอนิสงที่มีน้ําใจเลื่อมใส จึงมาได้ซึ่งทิพยสมบัติอันโอภาสวิเศษสุดพันน า, นาบัตรนี้ควรที่เราจะลงไปยังมนุ์โลกเพื่อสำแดงคุณแห่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรให้ปรากฏในถ้ำกลางมหาชนซึ่งยังเบียดเสียดยัดเยียดกันอยู่ที่มนดกใหญ่ใจกลางนครราชคฤตดำริชะนี้แล้วนางฟ้าเรวดีก็เหาะเลื่อนลอยลงมาพร้อมกับด้วยมหาวิมานมีรัศมีปรากฏเป็นทัศนียภาพ พระหนึ่งพระสุริโยไทไขรัศมีขึ้นมาเหนือยอดเขายุคันทรนฝ่ายมหาชนนิกรหญิงชายครั้นแลเห็นทัศนียภาพอันแปลกประหลาดเช่นนั้นก็ให้พิสวงสงสัยสำคัญไปว่าเป็นพระอาทิตย์หรือเป็นพระจันทร์ครั้นพิษดูไปในเมื่อทัศนียภาพนั้นเลื่อนลอยลงมาใกล้ๆจึงแลเห็นเป็นวิมานประการด้วยรัศมีสว่างอย่างประหนึ่งว่าจะบาดตา นางฟ้าเรวดีเทพนารีพ่อมาถึงซึ่งบริเวณประเทศใกล้มหามนดกใหญ่จึงบังคับวิมานให้หยุดนอยอยู่ในอากาศแล้วก็หลีลาดออกจากทิพยาวิมานลงมาอย่างพื้นปฐพีเข้าไปน้อมกายถวายนมั ส, สการศพพระธรรมมเสนาบดีสารีบุตรมหาเถระซึ่งประดิษฐานอยู่บนบุตรสบกทองคำารยอดกระทาการบูชาด้วยทิพยปุาสุมาลี อันมีกลิ่นหอมอบอวลไปไกลมหาชนไม่ได้รู้จักว่านางเป็นใครแต่เพื่อให้สิ้นสงสัยคนที่ใจกล้าผู้หนึ่งจึงเข้าไปแต่ถามว่าข้าแต่แม่เจ้าผู้จำเรินข้าใคร่จะขอถามความกับแม่เจ้าคือว่าแม่เจ้านี้มีรูปทรงสวยงามบริสุทธิ์ผ่องใสเปรียบประดุจดังดวงแก้วมณีไม่มีราขีทั้งรัศมีแห่งเรือนร่างและเครื่องแต่งกาย ก็สวยสดใชัยไหลงามแปลกปรับจับในตาและเครื่องประดับประดาก็แลดูเฉิดฉายมากมายนะักข้าอยากจะรู้จักแม่เจ้าว่ามีนามกรอนใดสร้างกุศลสิ่งใดไว้จึงได้เสวยที่พยาสมบัติเห็นปานนี้นางฟ้าเรวดีจึงค่อยเอื้อนโอดอันงามขึ้นกล่าวตอบความว่าตัวข้านี้คือผีตายทั้งกำลังทรงคันที่ถูกมหาชนเหยียบย่ำตายในบริเวณงานนี้มีนามว่าเรวดี บ้านข้าอยู่ไม่ไกลจากนี่เท่าใดนักมีศรัทธาใคร่จะกระทำสการะบูชาศพพระธรรมมเสนาบดีผู้มีคุณถือเอาดอกไม้ทองคำฝ่าฝูงชนเข้ามาก็พอดีอง์สมเด็จเท้าโกศีเธอเสด็จมาพร้อมเทวดามากมายมหาชนพิศวงประหลาดตกใจกลัวเดชสมเด็จเท้าอินทราต่างคนต่างก็ถอยร่นขมีขมันเป็นจ้านวัน เรานั้นมีคันแก่จะไปรวดเร็วเหมือนเขาอื่นไม่ได้จึงล้มลงกับพื้นพระสุธาดอกไม้ทองคำกระเด็นไปไม่ได้ทำการบูชาสมตั้งใจแล้วก็ถูกมหาชนเหยียบย่ำจนถึงแก่การกิริยาสพรพกุศลที่เรานี้ตั้งใจจะบูชาศพพระธรรมมเสนาบดีส่งผลให้เราได้ไปเกิดเป็นเทพพนารีชั้นดาวดึงทันใดและเรามาที่นี่ก็เพื่อที่จะทาการสการะบูชาศพ พระธรรมมเสนาบดีตามที่ตั้งใจไว้แต่เดิมมาขอท่านทั้งหลายจงเร่งขนวายบูชาศพมหาเถระผู้มีคุณใหญ่นี้เถิดแล้วคงจะได้ไปเกิดในสวรรค์ปานดังตัวเรานี้เรวดีเทพนารีงามโสภาเจ้าบอกเล่าประวัติความเป็นมาแห่งตนกับมหาชนชนี้แล้วจึงหันพักกลับไปถวายนมัสการศพพระมหาเถระบนบุดสบกทองคานั้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ลีลาดขึ้นไปสู่ปราสาทพิมานบังคับให้กลับไปสู่เทวสถานอันเป็นที่สถิตยอยู่แห่งตนคือบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงสเวททิพยสมบัติเป็นสุขสืบไปเมื่อการถวายสการะบูชาพระธรรมเสนาบดีครบเจ็วันเจ็ดราตรีสมตามความปรารถนาแห่งนางสารีพรหมณีโสดาบันชาราซึ่งเป็นมารดาของท่านแล้วเหล่าพุทธบริษัททั้งหลาย จึงประชุมกันมีมติให้เชิญศพขึ้นสู่เชิงตะกรสสำหรับจะบโรงศพซึ่งทำด้วยไม้หอมทั้งสิ้นวัดส่วนสูงได้99สศอกเปิดโอกาสให้มหาชนถวายเพลิงศพตั้งแต่ยามสายยันวันนั้นเรื่อยไปตลอดราตรีจนอรุณรุ่งวันใหม่โดยมีพระมหาเถระอระหันท่านผลัดกันแสดงพระธรรมเทศนาสังเวคะกคถาไม่ขาดสายติดต่อกันไป เมื่อมหาชนถวายเพลิงหมดสิ้นแล้วเป็นเวลาเช้าพระอาหารหันต์เจ้าอนุรุทธเถระจึงเอาน้ำหอมมาประพรมแล้วบรรจงเก็บอธิธาานใส่ลงบนผ้าขาวสะอาดซึ่งพระจุนทะอาหารหันต์เป็นผู้ถือรองรับไว้ครั้นพิธีการเก็บพระาธาตุเสร็จแล้วพระมหาเถระอาหารหันต์ทั้งสองคือพระจุนทะผู้เป็นน้องชายพระธรรมเสนาบดีและพระอนุรุธทธผู้มีปรีชา ก็พาภิกษุบริวารรีบด้านด้นเดินทางมายังเมืองสาวัตถีมาหานครเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระจุนทอารหันจึงกลับบังคมทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสวัสดีโสภาบัดนี้เป็นบาทแห่งพระสารีบุตรพี่ชายของข้าพระบาทจีวร น, นี้เล่าก็เป็นจีวรแห่งพระสารีบุตรพี่ชายของข้าพระบาทอถิธาห่อนี้ ก็เป็นอัติธาตุแห่งพระสารีบุตรพี่ชายของข้าพระบาทอีกเช่นกันบันนี้พระสารีบุตรพี่ชายของข้าพระบาทท่านดับขันเข้าสู่นิพพานเสียแล้วพระเจ้าข่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระธรรมราชาทิบปดีทรงฟังพระจุนธะอรหันต์กราบบังคมทูลดังนั้นก็ทรงสังเวชในพระไทยต่อการจากไปของพระธรรมเสนาบดีนักหนา จึงทรงเหยียดยื่นพระหัตต์เบื้องขวาอันประกอบด้วยลายลักษ์วงกลงจักรับเอาอัติธาตุแห่งพระธรรมเสนาบดีที่พระจุนทอารหันทูลถวายแล้วทรงยกอัติธาตุนั้นเชิดจูขึ้นใน่าำกลางมหาสันนิบาตแห่งสงฆ์ทั้งปวงแล้วจึงทรงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัตะสงสารทั้งหลายบรรดาเธอทั้งปวงที่ประชุมกันอยู่ณที่นี้ จงพากันปรงปัญญาลงให้เห็นประจักษ์เถิดว่าพระสารีบุตรผู้มีปัญญาที่มาลาเราตถาคตในวันก่อนเพื่อเข้านิพพานแล้วแสดงปาฏิหารเป็นอนเนกอ น, นันต์กระทำให้ปรากฏแก่สงทั้งปวงเป็นอัศจรรย์บัดนี้เธอดับกันเข้าสู่นิพพานเสียแล้วขอเธอทั้งหลายจงเล็งแลดูเถิดอธิธาตนี้มีสีขาวดุดสีสังมิใช่อธิธาตของใครผู้ใด โดยที่แท้เป็นอัติธาตุของภิกษุผู้สำแดงปาฏิหาริย์ในวันนั้นคือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรซึ่งเป็นอักรสาวกวิเศษในาศาสนาแห่งเราตถาคตเธอได้สร้างบา ร, รมีมาช้านานประมาณอสงไขยิ่งด้วยแสนมหากับเป็นกำหนดอัติธาตุของเธอจึงปรากฏมีสีขาวดุดสีสังพรีบุตรนี้เธอมีปัญญาฉลาดยิ่งกว่าคนทั้งหลายในโลกทาต เว้นเราตถาคตผู้เป็นศาสดาเสียแล้วในโลกาธาตนี้ไม่มีใครเสมอด้วยปัญญาพระธรรมเสนาบดีมหาปัญโยภาษาริบุตรนี้เธอมีปัญญามากมีปัญญาแน่นหนามีปัญญายังมหาชนให้ชื่นชมมีปัญญารวดเร็วมีปัญญาแหลมลึกละเอียดละอออาจที่จะกำจัดวาทะอันเป็นเสี้ยนน้ำพระพุทธศาสนาเสียได้นอกจากนั้น เธอยังมีสันเลขาสันโดษมักน้อยในปัจจัยสี่มีปกติติเตียนบุคคลที่เป็นอารัจฉีใจบาปหยากช้าสละละเสียซึ่งสมบัติมหาศาลออกบวชในศาสนาขอเธอทั้งหลายจงปรงปัญญาลงให้เห็นคุณของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรอันวิเศษเห็นปานนี้สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีพระพุทธดีกาตรัสสนรเสริญคุณพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรชนี้แล้วพระองค์ก็ทรงมีพระพุทธดำรัสสั่งให้ก่อพระเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของพระมหาเถระอันมีสีขาวดุจสีสังไว้ในพระเชตวันมหาวิหารเพื่อให้สำเร็จประโยชน์สดที่ผลแก่บุคคลที่มานมัสการและกระทำสการะบูชาด้วยน้าใจศรัทธาเลื่อมใสต่อไป ประวัติของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรองค์อัครสาวกผู้มีคุณมหาศาลตามที่พนานามานี้นอกจากจะเป็นเครื่องชี้ให้เราทั้งหลายได้เห็นความเป็นไปต่างๆนานาอันควรแก่การศึกษาแล้วยังเป็นเครื่องชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าท่านผู้มีวาสนาบารมีแรงกล้าเมื่อจำเริญวิปัสสนากรรมาฐานตามกระแสรพระพุทธดีกานั้นครันรรลุพระสกะทาคามีผลญาณ อันเป็นปฏิบัติสัตธิวิมุตขั้นที่สองแล้ววิปัสนาญาณอันผ่องแผ้วของท่านย่อมจักไม่สะดุดหยุดยั้งอยู่เหมือนบุคคลธรรมดาสามัญแต่จะกลับพัฒนาการสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนบรรลุถึงพระอนาคามิผลญาณและพระอรหัตนตผลญาณทำให้ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหรันตผู้ทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาด้วยประการนี้